เมื่อเดือนที่แล้วนะมันมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งมันเป็นรายงานการวิจัยนะที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ทำวิจัยนะกับคนญี่ปุ่นสูงวัยนะอายุตั้งแต่หกสิบห้าถึงแปดสิบสี่เป็นหมื่นคนเลยแล้วก็พบว่าผู้สูงวัยหรือผู้เฒ่าเนี่ยที่เลี้ยงหมาเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพเนี่ยน้อยกว่า คนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาเลยโอกาสที่เกิดเนี่ยเรียกว่าครึ่งครึ่งเลยนะโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยกว่าเนี่ยครึ่งครึ่งเลยหรือห้าสิเอร์เซ็นตลดโอกาสที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพเนี่ได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยภาวะทุพพลภาพก็เช่นพิการหรือว่าอมาัอมาาพานะ หรือว่าความติดขัดของร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ น, นี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าทำไมเนี่ยการเลี้ยงหมาเนี่ยมันทำให้มีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่เลี้ยงหมาหรือไม่เคยเลี้ยงเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอต้องดูแลหมาเนี่ยก็ต้องให้อาหารมัน นะต้องขยื่นขยับร่างกายนะให้อาหารแล้วก็บางทีก็ต้องพามันอาบน้ำและที่สำคัญคือพามันเดินเล่นนะนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนท่าคนแก่นี่ส่วนใหญ่ก็อยู่คนเดียวหรือ อาจจะอยู่กับลูกบ้างนะแต่ว่าลูกก็ไปทํางานแต่เช้าพาร่าในการดูแลหมานี่ก็ตกเป็นของพ่อแม่นะหรือว่าผู้เฒ่านะแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมนะพาหมาเนี่ยไปเดินเล่นนะเช้าบ้างเย็นบ้างในการพาหมาไปเดินเล่นนี่มันก็ทําให้ได้ไปออกกําลังกายนะออกกําลังกายก็ได้ ขยื่นขยับนะบริหารกล้ามเนื้อนะปอดหัวใจด้วยที่ทำงานคือว่ามันทำให้าการทรงตัวเนี่ยนะดีขึ้นร่างกายคนเราเนี่ยพอมันได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยแม้จะอยู่ในวัยชราเนี่ยมันก็รวนน้อยลง เข็ดขัดยอกหรือว่าติดขัดตะแรงตามก็บรรเทาเบาบางลงมันก็ช่วยทำให้ความพิกการหรืออามาพึกงเอามาพานี่มันก็น้อยลงนะและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือเขาพบว่าเทียบกับคนที่เลี้ยงแมวนะกับคนที่ไม่เคยเลี้ยงแมวเลยอันนี้ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะในเรื่องของการ มีสุขภาพดีที่วัดจากการไม่เกิดภาวะทุพพลภาพนะคนที่เลี้ยงแมวกับไม่เลี้ยงแมวนี่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรนะ่ในเรื่องร่างกายนะเรื่องการเกิดความพิกลพิ ก, การนะอันนี้คงเป็นเพราะว่าพ อ, พ อ, พอเลี้ยงแมวนะ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องพามันไปเดินเล่นธรรมชาติของแมวเนี่ยมันก็เที่ยวของมันนะอย่างเซลีหรือแม้จะเลี้ยงในบ้านนะก็ไม่มีความจำเป็นต้องพามันออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเหมือนหมาแล้วคนนี้ก็เปรียบเทียบนะว่าระหว่างคนที่เลี้ยงหมากับคนที่เลี้ยงแมวเนี่ยมันมีอะไรต่างกันไหมก็เพราะ ม, มีความแตกต่างนะคนที่เลี้ยงหมานี่สุขภาพจะดีกว่า คนที่เลี้ยงแมวหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดทุกพลภาพนี่น้อยกว่านะเพราะว่านี่มก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่เลีเ้ยงหมานะอันนี้เขาวัดเฉพาะเรื่องร่างกายนะเรื่องภาวะทุกพลภาพนะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะของคนเท่าคนแก่ ยิ่งทาไม่ได้ออกกำลังกายเลยนี่นะร่างกายมันก็จะติดขัดและสุดท้ายมันก็เกิดความพิกลพิ ก, การขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแง่คิดน ะ, ะ, ะสำหรับคนไทยด้วยเดี๋ยวนี้เราก็มีคนแก่เยอะลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยนะ ได้อยู่กับพ่อแม่เท่าไหร่ <Yeah. S 1> หรือว่าถึงอยู่ก็วันๆก็ออกไปทํางานดาห่วงสุขภาพของท่านเนี่ยอ uh. ลองชวนให้ท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดูโดยเฉพาะเลี้ยงหมาแต่ถ้าเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบปล่อยนี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของสุขภาพทางกายนะแล้วคนไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมการเลี้ยงหมาที่มันต่างจากของคนญี่ปุ่น นะวันที่ปุนนี่เขาเลี้ยงหมาเขาก็พาไปเดินเล่นนะออกกำลังกายไปในตัวแต่คนไทยเราเลี้ยงหมาเนี่ยเราก็ปล่อยนะวังทีขังด้วยซ้ำนะขังไว้ในบ้านอย่าให้มันไปเที่ยวนะก็ปล่อยมันไปเที่ยวเองนะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่ไม่ได้นะเจ้าของนี่ต้องจูงไปด้วยเหตุผล น, นึงเพราะมันมีกฎหมายนะ นว่าถ้าหมามันายเนี่ยเจ้าของก็ต้องเก็บนะเก็บมูลของมันเก็บขี้ของมันจะปล่อยทิ้งเรงล่ลยไม่ได้แล้วตำรวจจับนะเพราะนั้นถ้าให้หมาไปเที่ยวนี่ก็ต้องเดินตามมันไปด้วยก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวอันนั้นคือเมืองนอกอย่างญี่ปุ่นนะแต่เมืองไทยนี่ถ้าเราเลี้ยงหมาแบบปล่อยนี่ มันก็มีผลต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงหรือเจ้าของนี่น้อยนะโดยเพราะสุขภาพกายนะและบางทีคนเท่าคนแก่ก็ให้ถ้าจะปล่อยถ้าจะพาหมาไปเที่ยวบางทีก็ให้คนอื่นพาไปแทนเช่นอาจจะมีคนงานคนงานก็พาไปพ า, าไปเดินเล่นหน่อยไอ้แบบนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอ่า แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันทําง่านไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนงานจะมาพาหมาไปเดินเล่นแทนเจ้านายแล้วก็ส่วนลูกหลานก็ไปเรียนหนังสือไปทํางานตั้งแต่เช้ามันก็เลยเป็นภาระของคนแก่นะในการที่ต้องพาหมาไปเดินเล่นแล้วก็ให้อาหารมันอันนี้มันก็เป็นการออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ตามเนี่ยนะถึงแม้ว่า อ า, อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายในการพาหมาไปเดินเล่นนะแต่ว่าในแง่ของจิตใจเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะโดยเพพาะในยุคที่ทุกวันนี้คนท่าคนแก่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ทั้งวันนะแต่ว่าเกือบทั้งวันหงอยเหงานะการได้เลี้ยงหมาหรือแม้แต่เลี้ยงแมว มันก็ทำให้มีเพื่อนนะล้วคนเดี๋ยวนี้หรือ ว, ว่าคนในเมืองเนี่ยขาดเพื่อนเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันแม้ว่าจะอยู่กอาแพงติด ก, กันนะแต่ว่าบางทีไม่รู้จักกันเลยไม่เหมือนชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านนะที่อยู่ตึกแถวนะอันนี้มีสังคมมีเพื่อนก็ไม่ค่อยเหงา ตอนเช้าก็เดินไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านวัยเดียวกันบางทีก็ไปเล่นหมักรุกนะเอามันได้ออกกาลังกายนะแล้วก็มีเพื่อนแต่ว่าคนในเมืองเดี๋ยวนี้นี่ผู้สูงวัยนี่เหนะงาเพราะนั้นเนี่ยอมีหมามีแมวเลี้ยงมันก็ช่วยทำให้นะมีความสุขโดยพาะเมื่อนึกถึงหมานึกถึงแมว การนึกถึงผู้อื่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งนึกถึงชีวิตอื่นเนี่ยมันก็ดีต่อ จ, จ, จิตใจเหมือนกันนะมันทําให้หมกบุ้นกับความทุกข์ของตัวเองน้อยลงแล้วพอนึกถึงผู้อื่นนึกถึงสัตว์อื่นที่บางทีนับญาตเป็นลูกนะอยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยมันก็ปลูกเมตตากรุณาขึ้นมาและเมตตากรุณานี่มันก็ไปบ่มรงเลี้ยง จ, จ, จิตใจของเจ้าของด้วยหรือของเจ้าตัวด้วยอันนี้มันก็มีผลต่อ จ, จิตใจทำไม่มีความสุข ทำให้ไม่เหงาและจิตใจที่ดีมันก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นไปด้วยดีกว่าอยู่เปล่าๆหรือว่าเล่นโทรศัพท์ถยไปทั้งวันแล้วก็เครียดไปด้วยกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับหรือว่าเอาแต่ดูโทรทัศน์นะอันนี้มันสู้การเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือว่าการทำสิ่งดีๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้